นโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน่อมแอมแด่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก กราบถวายความเคารพสิริราสังขารหลวงพ่อพระมหดิเรกพุทธญานันโทผู้เป็นอาจารย์กราบถวายความเคารพพระอาจารย์ผู้เป็นประธานในคอสและพระอาจารย์ทุกลูกอยู่ในที่นี้ขอโอกาสหมู่สองและลูกเนนเจริญในศีลธรรมเมธี ว, วาสุบาสิกาและนั่งทมสบาย ปกติก็ไม่ประมาณนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุยเล่นกับน้องเนนหรือเปล่าเนนเขาบอกเลยนะเอาเลยครับท่านพลมัดก็เลยเล้อเนนนิดหน่อยใส่ให้อยู่ใสโบเห็นเป็นมัดเลยบวเห็นมีไม่ตอกเล่นหน่อยอันนี้ ก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใดๆยังไม่มีมาเลยนี่นปัจจุบันขณะจริงๆแล้วยังไม่รู้จะพูดอะไรเลยเราง่ายๆแบบธรรมดาก็แล้วกัน <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันที่ห้าแล้ววันที่เจ็ดก็จะครบกำหนดพรุ่งนี้ก็ทำความเพียนกันเต็มที่วันหนึ่ง เย็นวันนี้ก็กคงจะพูดคุยกันแค่ให้กำลังใจว่าให้ตั้งใจจะตื่นไปไหมถ้าจะมาพูดโยมจะเครียดไหม <c ười> คือเราเห็นผลเราก็อยากจะให้ละผลการทำความเพียรแบบแบบนี้มันต้องเป็นคนจริงแล้วก็ทำจริงนะนะ แล้วก็อาศัยความต่อเนื่องด้วยมันถึงจะเกิดผลเพราะเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ก็เลยพูดเหมือนอย่าจริงจังไปหน่อยระวางใจให้สบายนะ <c oughs> จริงๆนะจริงๆพูดได้นะแต่มันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยนะเนี่ยมองหน้าโยมแล้วเนี่ยคือเป็นคนเก่าซะส่วนมากไง ก็ได้อารมณ์กันระดับนึงมาแล้วก็มาเที่ยวนี้ก็มาพร้อมกับทางทีมวัดธรรมแสงเทียนมาเพื่อมาสร้างเมนคือพระอาจารย์เกษิคือพระอาจารย์สังดาไปทางชัยภูมิช่วง เดือนเมษาที่งานปฏิบัติธรรมประจำปีของวัด ร, ร้ำแสงเทียนนะท่านก็เข้าไปแวะที่สำนักก็บอกว่า เ, เข้มเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนโยมปฏิบัติธรรมนะช่วยอาจารย์ราเชนอาจารย์พันเราเนี่ต้องไปช่วยอาจารย์ลาเชนพาอาจารย์จะลุยงานหรือ่า <c oughs> ก็ลุยจริงๆนะใกล้เสร็จแล้ว ที่ในว่า อ, อาจารย์เนี่ยสำนักต่างๆเขาก็ลุยงานกันไปแต่ทําไมสองคนถึงมาช่วยพระ อ, อาจารย์ลาเชนมันได้สิทธิทพิเศษคนนมแต่ขี้โลกคนนมแต่ขี้ล้วคนเรื่ภูมิแม่ถูกสีถูกอะไรไม่ได้รูปนี้ก็เหมือนกันจันพันก็เหมือนกันจะพักข้างล่างก็เหม็นสีมันก็เลยความที่เป็นภูมิแพ้ของเราก็เลยไม่ได้ทํางานหนักไง ก็มีโอกาสก็ทำแต่ทีนี้ก็ให้มาช่วยพระอาจารย์ลาเชนก็ช่วยเท่าที่เท่าที่กำลังทวกเรามีนั่นแหละที่จริงเนี่ยโมทนาสาธุกับคนที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติแล้วเขาก็มีประจำทุกเดือนทุกเดือนแต่ถ้าใครไม่อยากกลับก็อยู่ต่อได้ตลอดจนกระทั่งวันตายก็ได้จะไม่หลวงพี่เอฟ Yeah. ไม่ปฏิเสธ yeah. คือสถานที่ปฏิบัติธรรมของกลุ่มสายงานหลวงพ่อเทีย น, นยรับขอให้มาเลยไม่ต้องพกอะไรมาเอาใจกับกายมาพอมาแล้วก็เอาใจไว้ที่กาย yeah. อันนี้ถือว่าเป็นค่าแรกอยู่หรือว่า ใบสมัครอ mm hmm. มีสติเป็นไปนในใกายก็ทำให้นึกถึงอีกแหละ <c oughs> พระมหากระสปะใช่ไหมเราก็รู้ดีโอวาทสั้นๆทำให้คนคนหนึ่งทำตามแล้วได้เป็นพระรยาเจ้าขั้นสูงนะคติทาคำสอนเคล็ดลับ การให้อุบายแต่และอย่างละอย่างของพระ อ, อุบาจ์เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ไม่ได้ออกจากพระโอ้์มันเป็นธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัตโนมติเกิดขึ้นจากสภาวะของท่านท่านนั้นเองทีนี้พระศาสดา ว, ว่าอย่างไงพระมหาส ป, ปะพระมหากัสส ป, ปะจะเดินสเปรหรือเดินส ป, ปะยังไงไม่รู้ละวขอไปเจอพระ พ, พุทธเจ้าจนได้เห็น ไ, ไหม ไปกหบแฟนนี่นะไปถึงทางแยกกันเธอไปทางนั้นฉันไปทางนี้สุดยอดไหมเราจะเป็นอย่างนั้นไหมยยมยิ้มฟันขาวเนี่ยเมื่อไหร่จะหนีกันเห็นติดรถไปไหนไฟตลอด <c oughs> อ่ะเก็บเสื้อผ้าเลยลงจากรถแยกกันเลยเอา้าระดีเธอไปทางโน้นเห็นไหมพระมหาส ป, ปะกาทส ป, ปะไปเจอพระเจ้าก่อนเยอายก็อา้าว ระบอวาท ส, สามข้อเองเรียงไม่ถูกเราไม่ค่อยจะจำก็คือให้มีความยำเกรงต่อมู่พิสุผู้อายุมากอายุน้อยหรือปานกลางเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนั่นแหละประมาณนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งว่าฟังอะไร ฟังอะไรให้ตั้งใจฟังแล้วเอาไปทำไปปรับใช้ทำอะไรให้ตั้งใจแล้วก็เอาไปทำอีกข้ออนข้อที่สามให้มีสติเป็นไปในกายตลอดเวลาไม่เครียดนะให้มีสติเป็นไปในกายตลอดเวลาไอ้เรายกมือขึ้นไหวเนี่ยถ้ามีสติเป็นไปในกายตลอดเวลาเนี่ย ผลของมันคืออะไรแร้วว่าเราอยากจะพ้นทุกข์เราจริงหรือยังว่าเราจะมีสติเป็นไปในกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหลุดแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าทำได้นะ จะเห็นความต่างมากมายมหาศาลหนึ่งแล้วกันนะขนาดพ่อขาวใหญ่เลยนั่งอยู่นะเขาก็มาเต็มตัวเลยนะเนะี่ยขนาดทำความเพียรไม่กี่ปีก็จะไหลไปสู่ความที่ทุกน้อยลงน้อยลงเห็นกายกับใจอยู่ด้วยกันชัดขึ้นชัดขึ้น นั่นคือผลของการมีสติเป็นไปในกายโยมก็มีหลักกันอยู่แล้วผู้ใหม่ศึกษาหลายสำนักก็มีถ้าลังเลสงสัยก็ก็วางไว้ซะเพราะว่าหลักปฏิบัติจริงๆนี่ก็ที่เราใช้อยู่นี่ยยกมือวแบบ่วแบแวบวบแวบมันก็อยู่ในหมวดของ สติประทานสูตรหมวดสัมปชัญญะบุพะนั่นแหละที่นี้คนที่ทานาปามานาปาก็ลมหายใจก็เนื่องด้วยกายก็เป็นกายคตาสติอีกขึ้นไว้ยกมือก็กายคตาสติสัมมาอรหังบริกรรมอยู่ก็กายปากนี่ก็กายนั่นแหละงับงับงับอย่างนี้ใช่ไหมพุโทโธก็กายคตาสติทั้งนั้นเลยก็หลักใหญ่ใจความก็คือให้มาปฏิบัติธรรมทำยังไงก็ทาเพื่อ ให้จิตนี่มันอยู่ที่กายถ้ามันอยู่มากเข้า <c oughs> มันคุ้นมากเข้ามากเข้านี่มันไม่หนีไปไหนเลยกายเวทนาจิตทำก็อยู่นี้ตลอดเพราะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรก็ทำไปเลยถ้าหมดความสงสัยแล้วเนี่ยมันง่ายไม่งนั้นมันจะมีรูปแบบวิธีการสำนักอาจารย์ เข้ามาขัดขวางโยบเหมือนเส้นผมเอาเส้นผมมาคึ้งไว้คึ้งไว้นี่มันก็เห็นเส้นผมนั่นแหละแต่ถ้าเอาเส้นผมออกมันเห็นอะไรมันว่างจากเส้นผมใช่ไหมมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็อยู่กันหน้ากันหน้าแล้วองเราเนี่นยแหละความว่างก็ให้มันชัด จะรับรู้ลมก็รับรู้ไปมันชัดจะดูรู้สึกอันไหนตึงอันไหนหย่อนเน้นที่ชัดแต่ไม่เกงเนะเน้นที่ชัดแต่ไม่เกงเอาละฝากโยมก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวทีนี้ฝากเน้นน้อยบ้างเพราะว่าจะต้องไปเป็นพระในวันข้างหน้าหรือจบมหาแล้วประโยคไหนเน้นเน้น เนนอัานมาทางนี้เรียนอะไรอยู่ไหมเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้คุณเองก็มือปากนาแล้วเงื้อพอมีมีแต่เงื่อลงตาเลยอือ้าวเนนเรียนอะไรอยู่อืมบวชทดแทนคุณปฏิบัติอย่างเดียวกันไหม มีพระอยู่ข้างหลังมาใหม่ซึ่งก็เป็นลูกหลานของพระอาจารย์สมพง์บวชวันที่หนึ่งวันที่สองเดินทางมานี่เลยก็ได้พระอาจารย์พระมอนเป็นพี่เลี้ยงพาปฏิบัติที่นี้ก็จะเอาหลักการที่เป็น <c oughs> เส้นทางที่มันจะต้องเรียนรู้สำหรับพระหนุ่มเน้นน้อยของเรา จะอยู่นานหรือจะชั่วคราวก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้ถ้าเรารู้แล้วมันก็ปฏิบัติง่ายมันทำให้เราเข้าใจและเป็นสมาธิถี่ที่เห็นตรงก็ได้คุยกันเพียงคร่าวๆไว้ระดับหนึ่งก็คงจะฝากพระใหม่หรือว่าที่ยังไม่ได้อารมณ์อะไรนะีที่ยังมีความคิดที่ เพราะถอยไปกับเมื่อเห็นเวทนาเกิดก็จะท้อคนหนุ่มๆไม่เคยมาทนเจ็บทนปวดพูดถึงโครงสร้างแล้วนี่เราเอาเฉพาะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็มาไว้พิจรารณากรรมฐานให้เห็นตามเป็นจริงแค่นั้นนะ่ะว่ามันปฏิกููนะปฏิกรู ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนประมาณนี้ส่วนท่านห้าท่านหกอย่างนี้โยมนี่คงรู้กันหมดแล้ว แ, วแต่ฝากพระนมข้างหลังเราท่านจะได้เหลืออีกวันหนึ่งนี่ก่อนกลับวัดรรมก่อนจะไปเรียนต่อก็จะได้มีความรู้ไปและลึกรู้จากสัญญาทิ้งไว้ก็ยังดีพรุ่งนี้ปฏิบัติอาจสัมผัสก็ได้ ธาตุห้ารูปธาตุสี่ธาตุหกกรดดินน้ําลมไฟอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุก็คือเครื่องบินไปได้ในอากาศก็คืออากาศธาตุช่องประตูหน้าต่างหรือแม้กลางนิ้วอยู่ช่องระหว่างนิ้วก็เป็นช่องว่างก็คืออากาศธาตุอยู่ในช่วงนี้ช่องจมูกช่องหูของเราที่มีความว่างอยู่ลมเข้าลมออกก็เป็นธาตุลมแต่ช่องว่างธาตุห้า ธาตุหกก็วิญญาณธาตุนะทีนี้เมื่อมันมีหกอันมาเนี่ยหลักๆนะเราก็เอาเข้าไปธาตุสี่มาใส่ธาตุสีที่เป็นเราเมื่อรวมเข้ามาไม่ว่าถึงสมมตินะนะตั้งแต่หัวยันฝ่าเท้าแล้วจากธาตุสี่มามีวิญญาณด้วยมามีความว่างด้วยเลยกลายเป็นตัวเราขึ้นมา าก็เลยกลายมาเป็นขันห้านะขันห้าก็มีลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะได้มาแล้วธาตุสี่ธาตุหกธาตุห้าพอมีขันห้าครบแล้วลูปอ้าเป็นลูปของธาตุสี่นะก็ตั้งแต่หัวยันฝ่าเท้าของเราเนี่ยได้มาจากธาตุสี่ ยังไม่ไปรูปของขันห่านะไม่ได้ไปรูปของขันนะเ <c oughs> วทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาใช้รูปนี้อยู่มาใช้ธาตุดินน้ำลมไฟนี้อยู่ได้มาหกได้มาห้าเพิ่มมาอีกหกเพิ่มอะไรมามันงอกอยู่ที่รูปนี้แหละ มันเกิดตาขึ้นมาโหจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาหกที่หกทวารหรือหกช่องท่าสรีมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเข้ามามันก็หล่อเลี้ยงให้ท่าศรีดำรงอยู่ได้ส่วนที่เหลือมันก็ไหลไปสู่ไรเน่นมันไหลไปไหนเมื่อเช้าไหลไปหรือยังไปแล้วบ่เออมันไหลไปอย่างนั้นแหละที่เหลือเกิน เมื่อมีของนอกออกมาที่ในร่างเราเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแล้ววิญญาณในธาตุหกกับวิญญาณที่มันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันตัวเดียวกันมนะแมนบอกโอ้ตกใ้พระอาจารย์ท่านเฉลยนะนี่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้นะตัวเดียวกันวิญญาณบนนี่มีหางบ่ บ่มีเถอะเนาะวิญญาณพวกนี้มันเห็นได้ด้วยตาเนือ้อไหมเห็นไหมบอบ อ, อบ่มเป็นธรรมดาเนอเ น, น, น้นว่ัฒน์นี่เน้นมาจากวัฒน์แสงเทียนนะครับนี่โอ้บ่มเป็นธรรมดาเนอวิญญาณหมดนี่บ่มเห็นได้ด้วยตาเนือ้อเนอะทีนี้เมื่อมีเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว ตาหวจะหมูกเล่นกลใจไปทำงานคู่กับอะไรสมเนเณรดูเลาคนอยู่ทรงไหนดิเนตาคู่กับหูได้ไหมบอกตาคู่กับยังอย่าบอกไว้คู่กับยายหัวเราะอย่าขาดสติหูวเมียคิ้งไว้ตาคู่กับอะไร บอกท่นจบเดี๋ยวจะเลิกไปนอนแล้วตาคู่กับปาก <laughs> อิริบบอ <laughs> มันทำงานคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสนะกายคู่กับอะไรจีวรกายคู่กับอะไรกายคู่กับอะไรเนอะ <c oughs> คยับเน้นเล่นๆจะได้ความรู้เพิ่มะฮะกายคู่กับตายอีกแล้วโอ้ยกําลังชมเมื่อกี้นี่กายคู่กับถูกต้องไว้ถูกต้องสัมผัสไง น, นะกายคู่กับถูกต้องใจคู่กับธรรมลมที่นึกคิดนนึกคิดก็มีเรื่องดีไม่ดีถ้าฐานเราไม่ดีแล้วก็ไหลเข้าไปในความคิดที่ดีและไม่ดีนั่นแหละภาษาที่สวดเมื่อกี้กักบกุศลกับไม่กุศ ล, ลนั่นเองที่เกิดขึ้น ภายในของเราทีนี้เราก็มาฝึกสติเนี่ยให้มันรู้เท่าทันในขณะที่ตามันทำงานคู่กับรูปมันจะได้เห็นเห็นซื่อเห็นเฉยๆได้ทันฝ่ายและหกทำงานประสานกันเนี่ยยิ่งกว่าลูกสูบรถแข็งใช่ไหมจับไม่ทันล่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไร สติเราฝึกเร็วกันนั่นเองอะไปเห็นไปทันการไปของจิตที่จะไปรับรู้อารมณ์มันช้าถ้าสติเรามากมันจะเห็นชัดขึ้นเห็นการทํางานแต่ละช่องไม่ปนกันนะเห็นการทํางานแต่ละช่องไม่ปนกันเราก็จัดการกับสุขกับทุกข์ง่ายขึ้นเขาไม่ได้จัดการอะไรลราคือรู้แล้วมันไม่ไปติดนั่นเอง แต่ว่าทำอันนี้เดียวมันจะสนุกทำได้อะไรบ้างอยู่แม่พระใหมโอ้ฝากนะเอ้าเน้เเนก็ฟังไปก็แล้วกันโอ้จะไปลึกจะรู้เรื่องไหมเอาโยมยายก็แล้วกันโยมยายเขาเรียนมาเนี่ยเรียนอภิธรรมนี่ก็อภิธรรมหลวงตาปสี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย นี่เข้ามาเนี่เขาพกความรู้มาหมดเลยธาตุหกขันห้าอายตัณภายในหกภายนอกหกทำเขานะทำความรู้สึกตัวอเดียวนี่แหละมันจะไปรู้เท่าทันการทำงานของพวกนี้แล้วมันก็จะไปเห็นกลุ่มธรรมอีกชุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มธรรมของปฏิจจสมุปบาทที่มันทำงาน เกิดดับต่อเนื่องเป็นสายเลยจะเรียกว่าเป็นวงกลมก็ได้จะเรียกว่าผุดแล้วแต่อะไรจะโผล่ก็ได้อวิชาสังขารเมญยานนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเนี่ย <c oughs> พบชาติชลาหมอละนะทีนี้พูดอย่างนี้เราไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นแต่ว่าจะสมมติว่าเราเนี่ยสักสิบสองคนเนี่ยมายืนจับข้อมือกันเป็นวงกลมเลยแล้วก็เต้นไปรอบๆเหมือนเล่นรอบกองไฟเนาะเนาะยกตัวอย่างนะโยมนะจับแขนกันทีนี้ เอาสา ม, มเณร น, นี่แหละกำลังปฏิบัติธรรมเลยไปอยู่ตรงกลางเนรก็วิ่งออกมาจากวงล้อมของปฏิจจสุบัติเนี่ยที่มันบดขยี้สัตว์โลกให้ตกอยู่ในสารเวตภูมินนะเนี่ยนะเนรก็ไปฝึกออกมาจากข้างนอกแต่ออกไม่ได้ถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานสี่จนมีกำลังนะแต่ถ้าเนรมีกำลังเนรหลุดออกมาได้เ น, นก็จะรู้ว่าเนรออกมาช่องไหนมี มีช่องของตัณหาช่องของอุปาทานหรือช่องเบธนาหรือช่องนามรูปหรือช่องสังขารมีเยอะแยะแต่ละอันเนี่ยมันเกิดมามันต่อเนื่องทีนี้ถามใจเราเองว่าในใจเราเนี่ยอะไรที่เกิดบ่อยที่สุดเบธนาหรือตัณหา หรือเพลินไปกับความคิดเรื่องราวรูปภาพถามใจเราดูเราเห็นไหมกลุ่มทมหมดนี้ถ้าไม่เห็นนี่ไม่ได้ชื่อว่าเห็นทมนะที่เราสวดใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นอันเนี้ยไม่ได้เห็นทมตามที่พระศ า, าสดาว่าไม่ได้เห็นว่า มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปไม่เห็นกลุ่มธรรมพวกที่เป็นนามนามขันล้วนๆไม่เกี่ยวกับธาตุสี่แล้วไม่เห็นแต่เราจะเห็นแค่ทำอารมณ์เห็นง่วงเห็นเบื่อเห็นสภาวะแต่ละอันละอันมันเห็นไม่ครบแล้วมันเห็นไม่เยอะมันเห็นไม่ชานาญมันเลยไม่มั่นใจว่าเห็นทำไหมแล้วจิตมันก็ไม่เปลี่ยนไงแต่ถ้ามันเห็นชัดแล้วออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเห็นชัดเสร็จแล้วมาเป็นคนดู สภาวะของปฏิสุบาท์เกิดดับตลอดต่อเนื่องให้เราเห็นอยู่ลราเป็นผู้ดูอย่างนี้นอย่างนี้นจิตเปลี่ยนจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราคนอื่นก็ไม่ใช่เขาจะเห็นว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าเป็นเราก็คือสมมติให้เป็นมนุษย์นั่นเองแต่มนุษย์ก็ประกอบไปได้หลายอย่างตั้งแต่เส้นผมจนหนังฝ่าเท้านะถูกสมมติชื่อมันครอบหมดเลย เราไม่เห็นเพราะนั้นให้เห็นจุดนี้เห็นเผลอเห็นเพลเินลหรือว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้แจ้งยังไม่มีอาวิชายอยู่ทีนี้เอากลับเข้ามาว่าเวทนาอย่างเนี้ยเราก็ทุกคนก็รู้ชัดดีใช่ไหมเวทนาทางกายนี่ได้รับกันอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหม ันมันเป็นเราไหมมันเป็นเราไหมอ้าวยมยอมยอมเปินอา้าวนั่นไงต้องถามคนคุยเก่งได้คำตอบปั๊บเลยใช่ไหมอืมไม่รู้อ่ะปฏิสุบาทนี่มันเกิดอยูนะ่มันไม่ใช่เราหละมันเป็นกลุ่มนามที่มันเกิดขึ้นภายในใจใช่ไหมไอ้ธาตุสีมันยัง ไปไหนมาไหนเต้องเลี้ยงมันต้องห่มต้องล้างใช่ไหมเออไอกลุ่ม น, น, นั้นเห็นให้ตลอดใชแล้วที่นี้มันไปไหนเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกว่าเราไปแค่ธาตุธาตุก็เคลื่อนไหวไปส่วนน้มขันนี่ก็ใช้ธาตุนี้ไปเลยไม่มีเราเพราะจิตมันเข้าใจว่าไม่มีเราเพราะมันเห็นแจ้งความความเป็นจริงอย่างเงี้ยอันนี้จิตมันเปลี่ยนถ้าอย่างเงี้ยเห็นทำ วิวโยทำมังปัสติใช่ไหมนี่เลยเพราะนั้นมาให้มันถึงจุดนี้แล้วจิตมันถึงจะเปลี่ยนไม่งั้นไม่เปลี่ยนนะผู้หญิงเห็นผู้เห็นคนหนุ่มก็ว่าหล่อผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยมันไม่เปลี่ยนมันไม่เห็นว่าเป็นธาตุเป็นขันมันยังเห็นเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเขาเป็นเขามันก็เลยมีความชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นเพราะนั้นการเห็นปฏิจจสุบารนี่เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เราทำอย่างนี้มันก็จะไปเห็นอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าจะเฝ้าดูสภาวะธรรมที่เป็นรูปที่มันเกิดในนามที่เรียกว่านามรูปเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่เฝ้าดูใจตัวเองอย่างต่อเนื่องนะแต่จะดูใจได้นี่จะต้องมีสติเป็นไปในกายมีกายเป็นที่อยู่นะจิตมันไปรับรู้ ธรรมรมที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมลมแต่ถ้ามันอยู่กับกายรู้ซื่อๆเฉยๆชัดๆนี่ไอจิตอันนั้นนี่มันกลายเป็นใจแล้วนะเลยรู้เฉยๆไงใช่ไหมไอตัวรู้รู้เฉยรู้ซื่อๆรู้ธรรมดาเนี่ยอยู่อยู่กายเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นกับใจปับ๊บมันก็อยู่นี่มันก็เลยดูอันั้นเฉยๆไงมันไม่เป็นร่วม มันไม่ไหลเข้าไปในนามรูปใช่ไหมโอ้อันเนี้ยนอกจากจะพยักหน้ายังไม่พอต้องไปอ่านหนะังสือหลวงพ่อมหาดูเคลบมองด้านในอ่านตั้งแต่ทั้งทมทั้งอ่านตั้งแต่ปีสี่สองไม่แตกเจาะไม่ได้ไปอ่านดู ภาพปฏิบัติบุเพนิวาสานุสติญาณอารมณ์ที่ปฏิบัติที่สัมผัสได้ในคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะไม่ได้ว่าลึกไปถึงญาณพระพุทธเจ้านะแต่อาศัยชื่อใช่ไหมมันต้องจะพูดถูกใช่ไหมแต่เราละลึกมันละลึกของมันเองตั้งแต่เราปฏิบัติทำมาเนี่ยย้อนหลังไปจนเราเกิดเนี่ยมันเห็นไหมมันเปิดอัล บ, บั้มไหมเนี่ย เราทำดีเท่าไหร่ทำไม่ดีเท่าไหร่จะเห็นชัดมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็เขาจะเลียงกันเลยบุพเพนิวาสารนุสสตยานจุตูปาตยานอาสวะขยายานเล่มใ ห, ใหญ่สีเขียวไปอ่านอ่านแล้วก็ทำความรู้สึกตัวนี่แหละทำไปมากๆมาก ๆ, ๆสักวันหนึ่งมันจะเหมือนไก่เจาะเปลือกไข่ออกมามันจะเจออาะอวิชาออกมา มันจะเจาะความไม่รู้สึกตัวเนี่ยตัวรู้สึกตัวที่น้อ ย, อยที่เราทําเนี่ยมันจะเจาะออกมาอันนี้ก็ทนหน่อยกับการทําความเพียรที่มีเบื่อเซ็งง่วงขี้เกียจท้อถอยเงี้ยหรือแม้หรือแม้แต่ความคิดฝ่ายดีอาตมาเห็นโยมไม่บอกว่าใครหรอกเดินจงกรมยกัยกยๆ แล้วก็เดินไปจับปากกากับสมุดจดบันทึกด๊อด๊อกดอก๊ดออยากจะเดินเข้าไปดูเขาบันทึกอะไรไว้นาะเขาเขียนธรรมะอันไหรไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอีกแล้วก็ไปจดไว้อีก เ, อเดินโยงกรมแป๊บเดียวได้ไปจดอีกแล้วเดินโยงกรมแล้วก็ไปจดไปอันนี้ก็บังนะ <c oughs> อันนี้ก็บังคือเราใช้สังขารฝ่ายดีเยอะไงใช่ไหย เดี๋ยวค่อยดูความที่อะไรตัวตนเดี๋ยวพระอาจารย์ใกล้ๆท่านจะสรุปให้ฟังหรอกคือถ้าเราใช้สังขารเยอะๆบางทีนันก็เป็นภาระรู้จักสังขารฝ่ายดีไหมโยมนั่งมือวางตักเนี่ยสังขารฝ่ายดีรู้จักไหมอายุปเปิ้นก็ได้ง่ายฮ <c oughs> <c oughs> เนี่ยคิดเป็นกุศลก็เป็นสังขารฝ่ายดีเนาะอุปกรณ์ฝ่ายดีทั้งหลายที่เรามาใช้ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยเยอะแยะหมดเลยยันที่ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่สมปัะทฐานสี่อิธิบาทสี่อินซี่ห้าพละหา้าพุทชงเจ็ดมรคแปดที่เราที่เดินตามที่มีในใจของเรานี่นี่คือสังขารฝ่ายดีทั้งนั้นเลยเห็นไหย สังขารไม่ดีไม่ต้องพูดถึงเลยร้อนติดอารมณ์รู้จักติดอารมณ์ไหมเมื่อเราติดลมไหมเหมือนไหมเออเพราะนั้นระวังไว้คนไหนได้อารมณ์ดีๆก็ระวังบางทีมันจะเหมือนตกมาจากต้นมะพร้าวถ้าไม่เก็บดีๆนะ เ, ออเก็บอะไรทำความรู้สึกตัวก็ประหยัดไปใช้บ้าง ถ้าไม่ประหยัดนะได้อารมณ์ดีๆอยู่ไปพูดไปคุยไปปล่อยจิตปล่อยใจไปที่เราทำสติไว้มันไม่เหลือใช้มันเหมือนได้อารมณ์ดีๆเราขึ้นอยู่ต้นตาเนี่ยพลูดลงมาโอ้โหถลอกหมดถึงดินตึ๊บเคยเป็นไหมอย่างเงี้เคยไหมโยบเปิ open? เออบางทีช่วงไหนสติดี ด, ดู โ, โหเดินไปความคิดมานี่เหมือนนยอดตำลึงมันโผล่มานะ พอพอเห็นปับ๊บ ย, ยอดตำรวจขาดปั๊ดปั๊ปัปป๊ความคิดแต่มันขาดเอาขาดเอานี้ก็เลยว่าตามหนังสือหลวงพอ่อยู่ทั้งปฏิบัติทั้งอ่านไม่เป็นหรอกโยมอ่านนะนะแต่ทำเนะี่ยทำขนาดไหนะทำงานให้ความสำคัญแค่ปลายนิ้วก้อยเนี่ยแต่รับรู้กับการเคลื่อนไหว แล้วก็เฝ้าดูใจที่มันคิดมันนึกอยู่ตลอดเวลาในสองอันใส่กันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสิบสองปีกับการเป็นโยมทํทำงานเนี่ยโหัวหกคนผิดยังไงดีให้ความสำคัญแค่นั้นเลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เลยพาอเรามาเห็นสภาวะภายในตั้งแต่แรกแล้วขอแยกรูปแยกนามได้เท่านั้นแหละมันเดินหน้าตลอดเลย ถ้าปล่อยจิตปล่อยใจก็สุดเหมือนรถติดลมติดอารมณ์หลงอารมณ์หลงความรู้ปฏิฆะงดยิดเพ่งโทษฝ่ายอุปสรรคมันก็มาเป็นละลอกละลอ่องแต่เราเดินไม่หยุดวันที่สิบหกเดือนกันยาสี่หกจากสี่สองมาสี่ห ก็ไปเดินอยกรมอยู่กุดหน้าลมญาิของวัดแพ่แสงเทียนนั่นแหละพระอาจารย์ก็ะสินท่านไปประชุมที่วัดโมกขอนแก่นเรามาวันที่สิบหกเข้ากุดแล้วเราก็ไม่ได้ทํำเราเหนื่อยงานมาเราก็ไม่เก็บไม่กวาดเลยใบไม้รถข้างนอกกันนะคืออาจารย์ยังไม่มายังไม่มีใจเห็นไหมติดอาจารย์ไหมอ่าเราได้ติดอาจารย์ทั้งนั้นเลยมันจะขอแต่อุบายใช่ไหมเอามาก็เหมือนกาน อาจารย์กูไม่มากูยังไม่กววเลยเรื่อนจุดกงไมกระสังจะตายพออาจารย์กลับมาจากประชุมที่วัดโมกขอนแก่นมาถึงเฮ้ย <"He i, S 1> มายังไงวะมาตั้งแต่เมื่อไหร่วที่สิบหกครับอาจารย์มาก็มาถามเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็ตอบไปตามที่มันเป็นใช่ไหมนี่เป็นยังไงเอออาจารย์ผมขับรถไปถึงบ้านแล้ว ทำไมไอเบียในเซเว่นนะในตู้นเซเว่นอะมันยังเกิดขึ้นในใจผมอีกใช่ไหมเออทำไงไปเนะี่ยมันยังเกิดขึ้นในใจเลยนี่มันทำให้ผมต้องย้อนกลับไปเอาเบีย <c oughs> เห็นไหมไออย่างี้มันต้องลบภาพเห็นนะอาจารย์ก็เขาเล่นเกิดพวกนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีเทคนิคให้เราทำมันต้องลบภาพ ลบภาพที่เกิดขึ้นในใจแทบแง่สร้างจังหวะย้ายฐานยกมือสร้างจังหวะสิบสี่ท่าเสร็จแล้วก็ขยับนิดนิดนึง แ, แล้วก็ไปอีกสิบสีท่าแล้วขยับอีกนิดนึงให้สิบสี่จังหวะเนี่ยนะพอครบรอบปุ๊บขยับครบรอบปุ๊บขยับครบรอบเปลี่ยนท่าไปเรื่อยขัดสมาธิภาพเพียบเทียบธิดาเทียบพระบูชใช่ไหมแล้วก็รู้ให้ชัดด้วยเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดช่วยไปด้วย จะไม่แตกยังไม่เข้าอุบายเรามีไหมมีก็ ง, งัดมาใช้สร้างจังหวะกัดฟันกัดฟันสร้างสร้างจังหวะยังไม่ได้ถึงสองรอบหรอลับพอมันดึงไปเนี่ยมันชักกะเยอะมันเอือไปปุ๊บพอรู้ตัวกลับขึ้นมาเราเพิ่มไปเลยบวกมาดึงไปอีก หายไปเท่าไหร่ไม่รู้เราเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวแต่ไม่นานหรอกเพราะเรานั่งอยู่พอรู้ตัวอีทีทําบวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันดึงไปเท่าไหร่กลับมากูรู้ตัวทีไรกูกัดฟันใส่บวดไม่ลุกหนีนะทาเพิ่มนั่นเองจนมันยกมือได้แจ้งเลยเหมือนกันยกมือได้เอาก็เลย ซอยช่วยด้วยที่นี่ยกมือได้เดินได้ด้วยเดินชมกลมแต่เดินเก้าเดียวแล้วหยุดสร้างจังหวะสร้างจังหวะครบถ้าเดินอีกเก้าเนื้มันก็เลยรู้ว่าเราจะเอาเก้าวข้างไหนออกแล้วก็มีการหลอกเล็กๆจเจาเก้านี้ออกสามข้างเลยเอาอันนี้ออกแล้วว่าไม่ตามใจมึงแล้ว เริ่มทวนเลยใช่ไหมทวนกระแสความคิดตัวเองแล้วไม่ตามใจมึงมึงเอาเก้านี้ออกกูเอาเก้านี้ออกเริ่มมีการเล่นกันนะภายในที่เข้าเดินไปในเก้านึงก็สร้างจังหวามันเต็มยมทาทั้งวันเข้าเต็มอาจารย์ให้อุบายวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเอ็ดไปเห็นจิตติเห็นอุบัติเห็น อาสะวะเห็นตัวที่มันทยานเข้าไปเห็นอาสะวะรู้ว่าอันเนี้ยจะทําให้อาสะวะสิ้นก็ต้องมีตัวนี้เข้าไปเห็นแล้วทํางานเมื่อก็เลยไปลงในที่หลวงพ่อเขียนไว้ไงเคลนครับมองด้านในการเห็นทำแบบอารมณ์ปฏิบัติสภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีการระลึกชาติไอ้ระลึกมาชิชาตโน้นชาตินี้อะไรหรอกไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเห็นแต่ว่ามันแก้ชีวิตเราไม่เปลี่ยน แต่ถ้าเห็นเราที่ทำผิดเท่าไหร่ทำถูกเท่าไหร่แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนอา่านเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วอันนั้นนะ่ะแต่พอมาเห็ น, น, น, น อ, อันนี้ข้อท่านั้นแหละไปกวาดใบไม้จับไม่กวาดเนี่ยกวาดใบไม้สามแชะจากสติที่เราสมบูรณ์เต็มที่นะไปไหนรู้ชาติอยู่เนี่ยนะพอกวาดใบไม้แชะแชะ่พอแชะที่สามแหละ ถ้ากระแตนตายตัวเดียวไปเข้าใจการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้แว บ, บตายเดียวอะเข้าใจทั่วโลกหมดเลยจิตมันเข้าใจว่าเห็นว่าการจุติกับอุบัติเนี่ยจุตินี่ตายอุบัตินี่เกิดแต่มันเร็วมากไงแวบบเดียวไงจุติอุบัตินี่ไงจุติอุบัตินอกจากเห็นสัตว์เกิดตายบนโลกใบนี้ยแบบเนี้ยเป็นไปนตามกรรมเมื่อ สติดับเนี่ยอุบัติทันทีในขณะนั้นเลยเร็วมากเนี่ยก็มาเดินยงกลมต่อมันก็เลยเห็นการเกิดการตายของความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งไงสั้นเข้ามาไหมทีเนี้ยทีแรกเห็น แ, แต่กระเดนแต่ว่าเห็นเข้าใจบนโลกใบนี้ว่ามีการเกิดการตายด้วยกรรมที่ต้องปฏิสนธิใหม่ก็มีทีนี้มาเห็นการเกิดการเกิดการตายระหว่างความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึ่งก็ใกล้เข้ามาหาตัว ก็เลยเห็นการเกิดของความคิดและการดับของความคิดเนี่ยก็ทำความเพียรายทำความเพียรไปทีนี้ไปเห็นตักกแตนมันโทษนะโอ้โออกเลยเอาธรรมดาก็ธรรมชาติกันแล้ว ก, กันฟังให้เป็นธรรมชาติตักกแตนมันเกาะเทินกันอยู่ไม่ถามเน้นหรอกมองมันไม่ใช่ต่อสู้ชกมวยกันนะ ตักะแตนมันเกาะเถินกันอยู่ตะไคร์เขียวตะไคร์ตะไคร์เขียวมงลวดเรานั่นแหละเราก็เดินจงกลมตั้งแต่เช้าตักะแตนเกาะไม่ออกจากกันไปไหนเลยเรเดินจงกลมแล้วก็รู้สึกตัวชัดอยู่ก็ผ่านไปก็เห็นตักะแตนแวบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะเราเดินเพราะมันเกาะอยู่ที่สูงประมาณนี้ประมาณตาเรามันเดินจงกลมอยู่ตั้งนานแล้วไอ้ตักะแตนมันก็อยู่นานแล้ว แต่พอตามันไปเห็นแว บ, บเดียวเท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้จ้องนะแวบบเดียวจบแล้วแต่ไอแว บ, บวาบที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยมันลั่นวื๊ดโผลบื้อเลยเกิด อ, อะไรขึ้นหดขนาดนั้นน่งหดทั้งตัวลั่นหดไปเลยโอ้โหถ้าเป็นเราตายเนะ่ยขากันอยู่อย่างงี้มันมันมันเห็นแล้วถ้าเป็นเราตายเนี่ ย, อ ย, อ ย, าา ย, ยไอไดมันหด์เบื้อนซะือมัน่ะ มันพร้อมที่จะหมดตอนนั้นไอเราตอนนั้นมาอายุสามสิบกว่าอุ้ยยายายายายังยังยั ง, ยงลังไว้หลังความรู้สึกที่มันหดที่มันจะหมดอารมณ์ทางทางกายมานะ่ะเหมือนกับว่าประคองไว้ยาเลยยาเลยเรายังหล่มแล้วยังเสด็จอยู่ขยับไว้หน่อยมาอีกแต่ว่า <laughs> มีอย่างงี้ด้วยอ่าก็เกิดเห็นชัดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใช่ไหมอืม ถ้าเราไปใช้คิดทีข้างนอกปุ๊บพอตายเห็นปุ๊บถ้าจิตมันตึกนะั่กบมันก็รู้ทันใช่ไหมอาการเนี่ยมันเห็นได้ไวเพราะเราเห็นเอการเก็บอารมณ์ชัดแลยเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นชัดไงมันลยก็เลยไม่ก่อเหตุนะอย่างเนี้ยชี้ใจมันก็ว่างสิว่างก็เดินจงกรมไปแล้วเดินไปเดินมาโอ้มันเห็นทุกภูเขา แต่ว่าภูเขาไม่ถึงกันภูเขาลูกเดียวแต่ไม่ถึงกันมันเห็นแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําสายเดียวแต่น้ําไหลไปทางเดียวกันแต่น้ําไม่ถึงกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวแล้วมันทําไมไม่คิดละใจมัน้ว่างอย่างงี้เหมือนน้ำไม่ถึงกันเหมือนภูเขาแต่ว่าภูเขาคนละเขาอันเดียวกันแต่ไม่ถึงกันเว้นอยู่ แล้วมันก็ห่างกันด้วยเ อ, เอามาแคบเข้าแคบเข้าเหมือนกับเบื้องนี่ยมันถึงกันไหมนี่โยมเปิน่นกระเบื้องถึงกันไหมถึงไหมดูดีดีดนั่นไงกระเบื้องไม่ถึงกัน ม, มียาแนวอยู่ไหนเนีเห็นไหมใจเป็นอย่างนั้นแหละมันเคยคิดเคยนึกแต่เนิ่คิดไม่มีมันมีแต่ความว่างอ้าวมันทำไมเป็นเงี้ย ไอ้คิดหน่อยนะพยายามหาเรื่องให้คิดพยายามที่จะนึกมันก็ไม่เข้านึกไปนึกมาพยายามคิดไปคิดมาขยับเข้ามาข้อมือเอ้ยเห็นความคิดแล้วไม่เข้ามาแล้วป่ะออกเข้ามาคืบเข้ามาสอกขับขยับเข้ า, ข, าขยับออกแล้วก็เดินโยกลมอย่างนั้นเลยเล่นระหว่างออกมาอยู่นอกความคิดกับเข้าไปในความคิดไปเล่นกันอยู่ตั้งนานก็เดินโยกลมกลับไปกลับมาก็เลยเอ้า โอ้ยมักแปดนี่มันไม่เหมือนในตัวหนังสือเลยนี่วะนี่ะก็มันเห็นชัดอยู่นี่มันไม่เหมือนในหนังสือเลยมักแปดที่เราทำเก็บอารมณ์มอยู่เนี่ยผวมักก็คือความรู้สึกตัวผลมันซ้อนอยู่นั่นผลคือมันไม่มีปรุงแต่งอะไรความคิดอะไรก็ไม่เข้ามีแต่ใจซื่อเฉยสดเนี่ยแต่พอมันเข้าไปในความคิดเลยเห็นว่าทาไมฉันเข้าใจว่ามัน ตีให้มันเป็นมักแปดพอมันเหลือมก็เป็นในความคิดปุ๊บมันเห็นว่ามักแปดเปื้อนในความคิดทีไรมันไม่ใช่มักปฏิปทาไม่ใช่มักที่พูดทุกข์่ยมันก็เลยโอ้เห็นแล้วว้ามักแ8ดเปื้อนไปในความคิดที่ทำให้สังขารเกิดก็เลยเห็นมักที่เป็นมักที่ในอารมณ์ปฏิบัติจริงๆก็คือรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยในคิดไม่มีเอว่ามันไม่มีพอนึกคิดมีก็เห็นเนี่ย เอาแปลมาเมื่อเราเห็นการตัวรู้ที่มันทะยานเข้าไปเห็นอาสะวะเนี่ยเราไปใช้ชีวิตข้างนอกรู้พเราดูใจมันก็เห็นทุกอย่างใช่ไหมอ่าเห็นทั้งอาสะวะเห็นทั้งตัวที่เข้าไปเห็นอาสะวะใช่ไหมมันไปนลงที่หลวงพ่อเขียนไว้ไหมเนี่ยต้องมียานทำลายอาสะวะแต่ไม่ใช่ว่าอัตมาอาสะวะหมดนะพะอธตมาไม่รีบไงยังไม่หมดสังโยชน์ก็ยังมีจะเห็นอยู่ รู้อยู่นะจะไปเหมาว่าจะมาเป็นอะไรไปอีกนะคือพูดสิ่งที่มันเป็นได้ฟังตั้งแต่ปีโน้นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกันยาสี่หกที่ว่าเนี่ยนะะเอามาให้เราฟังหมดไม่ไหวหรอกแต่คือเจาะเอาตรงนี้ว่าให้เรามีกําลังใจทาว่าการรู้ธรรมะจากการฟังการอ่านธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมที่ออกมาจากการปฏิบัติ เทียบกับหลวงพ่อที่ท่านมีปริยัติมาเทียบไว้เราเดินทางง่ายขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันจะไปเจาะรูปน้ำหรือว่านามรูปเจาะรูปน้ำนี่เด็กน้องมทำได้แต่เจาะน้ำรูปในขันห้าเนี่ยมันต้องใช้กระแสตัวรู้ที่ถี่และเร็วและคมถึงจะเจาะนามรูปในขันห้า ออกมาเห็นกระบวนการของนามรูปเห็นปฏิสุบาทคบเลยเห็นว่าบนโลกใบนี้มันมีแต่วัตถุชิ้นหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็พร้อมที่ตั้งอยู่ตามอายุของชิ้นนั้นนั้นแล้วก็จะสลายไปทีนี้ไปบินทบาทง่ายไหมนะสมณเณรทำให้มากๆ ถ้าโตขึ้นมาเป็นหน่มเราเป็นพ้าด้วยถ้ายังไม่เจอตัวนี้ไปบินธบาตลลำบากลาบากเขามาใส่บาทเขาก็ใส่ว่าว่าแหวงแวงกางเกงก็ขาสั้นๆใช่ไหมมันก็จะไปแพ้ความโทษนะครับมันจะไปแพ้ความขาวความอวบใช่ไหม กลับมหาหอดกุติกินข้าวฉันข้าวไม่ได้สามเณรนอ น, นอนเป็นอย่างคือหอนเนาห <c oughs> ลวงพ่อซอย่คยเน้ซอยเคยเล่ <c oughs> เห็นไหมมันถูกลูกสอนเสียบมาแล้วเพราะนั้นต้องทำให้จริงถ้าเราจะบวชต่อไปปฏิบัติให้มากๆถ้าไม่ถึงจุดนี้แล้วเดินไปไหนมาไหนไปเห็นมาก็ติดมาติดมาทำไมเขาไม่ให้เดินบิณฑบาตแล้วมองบ้านโน้นบ้านนี้มันจะไปเผอไปเห็นหน้าต่างเขา ตอนเช้าเขาตื่นมาเขาจะเปลี่ยนผ้าบ้างเขาอะไรกันชาวบ้านเราต้องมองแค่นี้สองช่วงแอรก็เดินไปแค่นี้แหละเสํารวมไว้แล้วสิ่งที่เราจะอยู่ได้ก็คือต้องมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพื่อที่เห็นสภาวะเกิดดับอันนี้ชีวิตของพระเนนถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นจะอยู่แบบอยู่แบบ มีความหอยหาทางโลกค่อนข้างสูงเพราะมันขาดโอกาสแค่นอนหิวกลางคืนเนี่ยได้แต่น้ำถ้าเป็นโยมต้มยำลาดนาผัดไส้ยิ้วใช่ไหมจิบเบียใช่ไหมเนนยิ้มเคยซิมหรือบอ่ใช่ไหมที่ผมปวดมาเป็นผ้านมเนนน้อยเนี่ยมามีน้ำปะนาน้ำปะนา วันนี้พระบนสลาได้อา น, นิสงส์จากพระที่ทําก่อสร้างได้ปรมาณมามอ น, นึงไม่พอกันนี่เรามาที่หลังเห็นเหลือหน่อยเดียวถ้วยหนึ่งเข้าท่าชีโนมาถามจริงไงนี่กดีไหมโอ้ใช้ได้เลยอร่อยเลยอ่เด็กก็ได้เบิ้ลซะเลยเดินไปตักอีกถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งก็แค่สองช้อนหรอกสองช้อนโตหรอกปรมัตณ พอในลองท้องลองพี่ชายมาเลื้ยวเลี้ยย ว, วมามาเป็นคน ว, ว้อยเรื่องไงเราก็เห็นคิดว่าหม้อมันเหลือน้อยนึกว่ามันวายแล้วแล้ว <c oughs> พี่ชายมาที่หลังช่วงมดพลัมัดหมด <c oughs> ได้คนละหน่อยเป็นไงได้ลองท้องไปหน่อยนะีเกิดอะไรถ้าเราไม่มีธรรมเราไม่เห็นธรรมเราไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์เป็นหนึ่ง จะอยู่แบบลุ่ ม, มดๆดอนๆไม่มีความลาเลยเพราะาเนเ้นเลยทั้งเน้นทั้งภาพใหม่ยอารมณ์เป็นหนึ่งมันต้องเดินจงกรมทำควาเพียรจนวิตกวิจารณซาไปจนปิติมันเกิดขึ้นมาปิตุกปิติก็จางไปมีสุขก็รู้ว่าสุขจนมีอารมณ์เป็นหนึ่งอ่าผ่านไปทำความเพียรอีกก็มีอันนี้อีก ทำคนเพีย้ยงอยก็มีเดินเรื่อยๆเราเล่าอยู่เงี้ยจนกว่าวิตกวิจารณตุนพิติก็ไม่ได้สนใจละไปแล้วไปไหนมาไหนก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่อย่างเนี้ยเห็นว่าเราไม่ใช่เราเห็นเขาก็ไม่ใช่เขาก็เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมโลกสมมติว่าเป็นมนุษย์อย่าเนี้ยมันเบาถ้าเป็นอย่างนี้นะชีวิตมันเบาเพราะเราอยู่มันขาดโอกาสเป็นพระเป็นเนนเนี่ยการอยู่การกินก็แล้วแต่ทางโรงครัวหรือสถานญาติโยมเขาจะเลี้ยง ว่าเราเป็นพระป่าพระบนอกเนี่ยบิณฑบาตการขอบชันเนี่ยมันลูกทุ่งจะพูดไปก็ยังยังโชคดีก็หลวงพ่อชาหน่อยไม่ถึงกรผ่าแปดใช่ไหมหลวงพ่อชาท่านทำเป็นตัวอย่างไว้ก็ทำให้เรามีศรัทธาที่อยู่ได้เหมือนกันไข่ลูกเดียวแบ่งแปดสมณเณร <c oughs> สมณเณรทุกวันนี้ไข่เนี่ยกี่ลูก จากลูกกี่ใบบ่ต้องอายอยู่ทางเขาไข่ต้มลายสงสัยจะเอาหลายลูกไม่กล้าไม่กล้าตอบก็อันนี้แหละการขาดโอกาสมันไม่สะดวกสบายอยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อน ทีนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ต่อเนื่อง้วก็จะอยู่ยากอยู่ยากความสวยความงามหรือเสียงที่ไพเราะหรือคำที่เขาพูดดีด้วยก็จะทำให้ใจที่ผ้าหนุ่มเน็น้อยที่ยังไม่มีหลักเอียงไปได้เราไม่รู้ว่าคู่พิบาตกรรมแต่ในไหนลึกๆมันจะมาทันใช่ไหมเอออันตราย ก็นั่นฐานเราต้องแน่นเข้าไว้นันทอันตรายสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันจะมีเหตุให้เป็นไปเราก็ระวังภัยไว้การทำความเพียรก็ไว้ให้เห็นว่านั่นแหละไม่สำคัญมั่นหมายในอาการใดอาการหนึ่งในเสียงใดเสียงหนึ่งเข้าไว้มันศึกษาเราเรียนเน้นออกมาบวชก็ดีแล้วให้รวยขนาดไหนก็ไม่พ้นทุก ให้มีอยู่มีกินเมียสวยแฟนหล่อขนาดไหนก็ไม่พ้นหรอกถ้าเนนศึกไปนะเนนถ้าเนนศึกไปมีเมียเมืม่อไหร่ปุ๊บเท่านั้นแหละได้แม่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วเนนจะมีแม่สามคนอีกถ้าเนนมีลูกแม่คนแรกในสาทุแม่พมานดาสาทวยแม่คนที่สองเนี่ย แม่เจ้าเว้ยเรียกร้องตลอดแม่จะเว้ยแม่เจะฆ่าเนี่ยแหละเรียกร้องตลอดเลยแม่เนี่ยอีกแม่อนึ่งถ้มีลูกขึ้นมาเนี่ยแม่ทูนหัวพูดอะไรหาให้หมดแม่ทุนหัวของพ่อทีนี้ก็ต้องเป็นธาตุเขาแต่ถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเราเชื่อสามคนนี้เราก็จะเป็นผู้มีบุญ เกายังไงดีหล่นตาจะมีหรือไม่มีใช่ไหมโอ้ฝึกสติให้ดีเล้วขนาดพระพุทธเจ้านะยังไปเอาน้องชายออกมาจากการแต่งงานใหม่ๆด้วยนะสองคำครึ่งแล้วเนาะมันเลือบๆอ๋อคุยเล่นกับเนนพอได้หัวเลาะ บ, บ้าง ท, ที่จริงถ้าจะไปเป็นเนื้อเนี่อากาศร้อนๆกลัวเนนจะกลัวโยมเนี่ยจะตึงไปที่อาตมาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้จริงๆเรื่องไหนเรื่องที่ทําแล้วมันผลมันไม่เกิดมันขาดการสํารวมขาดการเพิ่มกําลังของความเพียรบางครั้งเราไปแก้อารมณ์ไวเกินไปยังไม่พอที่จ ะ, ะเผชิญ อารมณ์นั้นตรงๆชัดๆมันก็เลี่ยงไปแล้วไอ้ความโตของอินทรีย์ความโตของสติความตั้งมั่นของสมาธิการที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นมันไม่โตเพราะเรารีบหลบเจ๊ไหมนี่นะแต่เขาใช้ตามอินทรีย์ของเราเมื่อไหร่พร้อมที่จะวัดก็วัด จะลุยก็ลุยจะชนก็ชนจะหลบก็หลบเลือกเอาอาศัยความต่อเนื่องต่อเนื่องก็บอกไปแล้ววิธีต่อเนื่องเขาเป็นหวงงพอทำแล้วมันไม่เกิดผลก็ไม่เป็นผลดีกับเราเลยเพราะาพชาติมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงกงขังของเราก็คือสามสิบเอดพูสรุปรวบยอดมากระชับว่า ถ้าไม่ทําอะไรเลยไหลไปสู่ลงต่ำแน่นอนคารบบูชาพ่อแม่มีครูบาอาจารย์มีระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่โอเคได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาบ้างสภาพจิตใจที่เปลี่ยนในขณะนี้นะถ้าลมหายใจไม่มีก็สู่วกภูมิที่พระาศาสดาได้บัญญัติไว้คือกลับมามาเป็นมนุษย์ใหม่หรือว่าไปสู่สวรรค์ทาสมาธิมีความสงบละเอียดมีความสงบระดับหนึ่ง แต่ถ้าหมดอัตภาพอันนี้ก็จะไปสู่พรมตามชั้นที่เราที่ความเพียรของเรามีอยู่ฐานนิ่งเงียบไม่รับรู้อารมณ์อะไรเลยจมอยู่ตลอดมีความสุขละเอียดจนจมเงียบหายไปเลยถูกโมหะทับถูกกวิชาครอบอยู่นานนับไม่ได้เลยก็ไปสู่อรูพรมจ้ะตามที่มีไว้ในพระศาสนาของเราว่าสามสิบเอ็ดพรมแต่การเดินก็จะเป็นตามนี้ ส่วนที่ยกมือปแป๊กปกแป๊กกันเนี่ยเพื่อที่จะนายใครจางจากที่เราเห็ น, นระบบคนหลงทาให้เราต้องเป็นทุกข์ทำให้เราต้องเป็นอุปสรรคของชีวิตใช่ไหมอุปสรรคของชีวิตที่ใจเราที่มันเข้าไปในอารมณ์ที่น่าไข่และความดีต่างๆนั่นแหละเพราะมันพวกนี้อารมณ์เปลี่ยนเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีก็มีค่าเท่ากันก็ทําให้ทุกข์ไง แต่มาทำมากเข้ามากเข้ามันสู่ไหลไปสู่ความที่ไม่ต้องกลับมาเกิดก็ตัวเองก็จะรู้เองว่าตอนนี้เรามีอกุศลธรรมราโมกอยู่หรือว่ามีปิติปามโมดอยู่หรือว่ามีความว่างอยู่หรือว่ามีความสงบอยู่ใต้โมหะเราก็ดูใจเราเองที่นี้เราก็จะแต่งภพภูมิที่เราจะไปหลังจากที่ตาย แต่ถ้าเรายังไม่ตายเราแต่งพว่มุมได้ขนาดนี้เราก็ได้ใช้สดๆในลักษณะของมนุษย์บนโลกนี้เทวดาบนโลกนี้นะฝุ่มาทั้งหมดนี่ก็เอาละพอสเปะสปะจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากก็ไ <c oughs> ม่ค็ยได้เท่าไหร่หมันรู้สึกเขินๆยังไงมันมีกล้องมีอะไรด้วยก็พูดไม่ถนัดเท่าไหร่ <c oughs> พูดตามปกติของเรามันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มันไปสู่โลกกว้าง ก็เลยต้องระวังระวังกับการที่จะจ่ายออกไปบ้างก็โมทนาสาธุที่มีเจตนาออกมาประพฤติปฏิบัติมาเจริญสติปัฏฐานสีเพื่อที่จะให้มีสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมจึงน้อมนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าเดินตามครูบาอาจารย์จนมาถึงนบัด น, นี้ก็ขอให้ได้รับประโยชน์จากที่พระศาสดาค้นพบ คือความสุขสงบอยู่ในสุขในทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเจริญ<อ>สาธุสาธุสาธุเข้าใจไหมแจ้งเจ้าข้า สมัยโบราณเวลาพระเจ้าแสดงธรรมจะมีคำถามจะมีคำอุทานแจมแจ้งจริงพระเจ้าค่ะเราไม่เข้าใจเลยสักคาหน้าที่สรุปอัตมาจะสรุปให้ฟังว่าท่านพูดเรื่องเดียวกันมาเช้านี่แหละยำลอยกันเป๊ะเลยพูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละคนละภาษาเท่านั้น พระเช้าจันพันธ์พูดเรื่องหลักพูดเรื่องกระบวนการอารมณ์แต่ท่านพูดผ่านภาษาง่ายๆภาษาของคนไม่ชินกับภาษาราชาการภาษาลุกทุกของจันพันธ์จนเข็มจันใส่ภาษารลักการภาษาปริยรัดภาษากลางๆเอาไว้เพื่อให้เป็นหลักการเพื่อให้ฟังง่ายเพื่อให้ คนที่ชินกับภาษาปริยัตยิจะได้ดูกระบวนการที่เกิดจากอารมณ์ภาวนาจริงผ่านภาษาของพุทธเจ้าด้วยแต่เรื่องเดียวกันกระบวนการเดียวกันสติจจสมุบบาทคืออะไรเราคิดแวบหนึ่งแต่เราไม่ได้จมไปกับความคิดแล้วเห็นการทำงานของเขานั่นแหละที่อาจารย์พันว่าถ้าสติเป็นไปในกายกายชับความคิดโผล่มามันเห็นหมดมันดับหายไปก็เห็นหมดแค่นี้แหละเรื่องเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะฟังภาษาบ้านเข้าใจดีหรือว่าเราจะฟังภาษาปริยัติและไม่เข้าใจต่อให้เข้าใจก็เป็นเรื่องของสมองของเราเท่านั้นเป็นเรื่องของสมองของเราเท่านั้นมีค่าเท่านั้นถ้าเราไม่ลงมือทําจนกว่าที่อาการทั้งหลายที่เขาพูดที่จันผันพูดเมื่อเช้าผ่านภาษ า, าบ้านที่จันเข็มพูดเม่กกี้นี้ผ่านภาษาที่เราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ถ้าสภาวะอาการเหล่านั้นปรากฏกับเราเมื่อไหร่ถ้าโยมมีภาษาปริยัดมันก็จะเอาภาษาภาษาปฎิยัดขึ้นมาอธิบายถ้าโยมไม่มีภาษาปริยัดมันก็จะผลิตภาษาของตัวเองขึ้นมาอธิบายแต่เราต้องเข้าถึงก่อนสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองก่อนธรรมะก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละสภาวะเดียวกันพูดได้หลากหลายแล็จําเป็นที่บางครั้งเราต้องอ้างอิงเอาภาษา กองพระเจ้าไว้บ้างแต่อัตมาก็ใช้ภาษาประยัดพอสมควรแล้วก็มโยมมาบอกว่าอ้าวฟังพระอาจารย์รู้สึกดีจังแต่โยมฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำํำอ้าวโยมมาบอกอัตมาแบบนั้นเหมือนกันแล้โยมรู้สึกดียังไงหรอเ่มอนโยมจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะอ้าวแล้วมยมบอกฟังไม่เข้าใจแต่โยมฟังไม่เข้าใจจริงๆเข้าใจยังไงวะเข้าใจผ่าน อ, อมันเหมือนยึดว่าตัวเองจะได้แต่พอฟังภาษาพระภาษาบังคำสัมผัสไม่ได้แต่จําเป็นจําเป็นทั้งสองภาคส่วนเอาไปฟังหลายรอบถ้าอยากเข้าใจจาเข็มให้มากในสิ่งที่แสดงวันนี้เอาไปฟังคู่กับของอาจารย์พันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์เข็มเปิดเทปปันหนึ่งอาจารย์พันเปิดเทปปันหนึ่งนะฟังไม่รู้เรื่องไนมะ่อย่างนั้นนะมีสะดุดใจเรื่องหนึ่งที่อาจารเข็มพูดเรื่อง เป็นเลขเนาะเราเริ่มเพื่อมหาการสปะให้ฟังพระมหาการสปะเนี่ยในวาดในเทรวาบเรามีบทบาทน้อยมีคมพีที่กล่าวถึงท่านไว้ไม่เยอะแต่นในฝ่ายมหายานเนี่ยเขากล่าวถึงปฏิปทาของพปามหาการสปะเอาไว้เยอะมากเพราะมหากัรสปะเป็นตระกูลพราหมณ์ใหญ่ถ้าเปรียบเหมือนในยุคบ้านพวกเราเนี่ยเหมือนเศรษฐีตระกูลใหญ่ตระกูลเก่าแกนะ่พ่อแม่จับแต่งงาน วันที่ท่านแต่งงานกับภรรยาท่านชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วพ่อแม่ท่านจับแต่งงานพอแต่งงานเสร็จท่านก็แต่งงานตามวัฒนธรรมประเพณีพอแต่งงานเสร็จเวลานอนกับภรรยาท่านท่านก็จะนอนฝาหนึ่งภรรยานอนฝ้าหนึ่งแล้วก็เอาพวงมาลัยวางไว้ตรงกลางเราแต่งงานกันนะแต่เราเป็นสามีภรรยาเพียงในานาม โดยใจเราเป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสแสวงหาทางออกทุกกันเถิดท่านก็ตั้งใจแบบนี้สองคนจะมีภรรยาพอวันที่ออกบวชท่านก็แยกกันไปถึงจุดหนึ่งท่านก็แยกกันสแสวงหาภรรยาท่านไปเป็นภรรยาเป็นพระภิกษุนีสุดท้ายสําเร็จประอรหนนันพระกัส ป, ปะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตั้งใจจะคละวาะละทิ้งบ้านเรือนสแสวงมีพร้อมทุกอย่าง แต่ต้องการที่จะพ้นไปจากเรื่องเหล่านี้ให้ได้ในวันที่ท่านออกบวชพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการบวชแบบพิเศษที่จันเขมไล่ไลฟันพุทธเจ้าให้ให้ท่านรับโ อ, อวาททำสามข้อด้วยความที่ท่านเป็นโลกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีตระกูลเก่าแก่พุทธเจ้าเลยบอกว่าท่านจะต้องเคารพทุกคนแม้แต่สามเณรที่บวชในวันนั้น วัฒนธรรมประเพณีอินเดียเนี่ยเวลาเป็นคว า, ามยิ่งใหญ่เขาจะยศตนสูงพระคมอัตตามนานะทิติท่านท่านยินดีน้อมรับข้อที่สองเวลาได้ยินได้ฟังอะไรเวลาได้ยินได้ฟังทำอย่าตัดสินให้น้อมเอามาพิจารณาน้อมเอามาพิจารณาอย่าตัดสินผิดถูกเพราะตะโกนใหญ่การศึกษาเยอะความรู้เยอะ พอเยอะมากเนี่เป็นฐานสมองตัดสินผิดถูกโลดหนี้นั่นอัตมาบรรณทิฏฐิเยอะเพิ่มข้อที่สามไปข้อกับประธานมีสติเป็นไปในกายแต่วงเล็บนี้หึงยังเดิมเขียวงเล็บนลยอย่าเครงเครียดนะ <c oughs> แต่พวกเราเคร่งเครี ย, ยไม่ได้ผลหนึ่งท่านนะให้สติเป็นไปในกายตามเรียนรู้อาการกลายเพราะท่านฉลาดอัตมาบรรทิฏฐิเยอะพระเจ้าไม่ให้ท่านดูจิต ให้ฐานกายแม่นพรฐานกายท่านแม่นในวันที่แปดในฝ่ายเทราวาสเขาเขียนกําเพยตรงนี้ไว้ว่าเมื่อกี้ไปปรึกษากับอาจารย์มรแม่นยําตรงกันอัตามากล้าพูดหน่อยในวันที่แปดท่านบรรลุพระอรหันต์ฝ่ายเทราวาสเขียนไว้แบบนี้ในฝ่ายมหายานเขาเขียนไว้ละเอียดขึ้นว่าในวันที่แปดพระกสปะท่านอยู่ในกลุ่มของภิกษุร่วมกับ ภิกษุลูกคนอื่นพระเจ้าแสดงธรรมกับภิกษุท่านก็ยืนยืนฟังยืนอยู่ในกลุ่มนั้นพระเจ้าจับดอกบัวขึ้นมาแล้วชวูกขึ้นท่านบรรลุธรรมเก็ตไหมโอ้ยิ่งขนาดนี้เก็บเนี่ยแน่ผู้รู้ไม่พูดใช่แล้วน <laughs> ิ่งขนาดนี้แสดงว่ายมเก็บโยมไม่พูดออกมานั่นแหละผู้รู้เขาไม่พูด ถ้เก็บจะบรรลุธรรมละด้วยความที่สติทั้งเต็มเป็นไปในกายบางทีเราอาจจะสัมผัสเรื่องบางเรื่องคําบางคําเหตุการณ์บางเหตุการณ์เมื่อกี้อาจารเขียมพูดว่าด้วยความที่สติมันเต็มทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแค่กวาไปไม้สามเกเห็นตากระแตนตายตัวหนึ่งเข้าใจบางเรื่องเดินไปความคิดโผรูปหนึ่งก้าวข้างบางเรื่อง ของรัมปเทียนอะที่ได้รับการยอมรับเรื่องการเป็นแบบคล้ายๆ ส, สายเซนอะสาเหตุเพราะแบบนี้เราจะเน้นที่การสร้างเหตุกําลังสติแล้วพอปรัจจจเจ้งต่อสภาวะบางอย่างใจเราจะเข้าใจแล้วก็จานที่เอ็นข้ามไปเลยข้ามไปเลยขเลยข้าใจไปเลยเข้าใจไปเลยในบางเรื่องทุกครั้ง ท, งที่เราเข้าใจแล้วก้าวข้ามทําบางเรื่องเราจะสัมผัสได้อย่างปรัจจจเจ้งต่อใจเราเองว่าใจเราไม่เหมือนเดิม ใจเราจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ยทุกคนจะประจับแจ้งเรื่องนี้เหมือนกันหมดผ่านสารพัดผ่านพระกษัตริย์ที่เป็นพระกัตสปะนี่สายเส้นเขายกให้เป็นต้นเขาเลยนะเป็นต้นเคขาสายเสน้นเราอาจจะคิดว่าเว้ยห้างอาจจะคิดว่าอา่าตักหมอคือต้นตำหรับสายเสน้นจริงๆริงแล้วเขายกเขายกพระกษัตริย์ใ้สูงมากรองเลยก็เกือบจะเทียบเท่าพระเจ้าเลยละไม่ต้องเป็นต้นเขาสายเสน้นพระเจ้าชูดอกกัว ทำมาจากหมุนสองครั้งครั้งแรกโค เ, เจ้าครั้งที่สองคือพระกัสสปะบารมีของสายเซนก็เชื่อแบบนั้นเราตั้งกติแบบนั้นเพราะว่าเป็นการแสดงธรรมในลักษณะที่ไม่มีคําพูดแล้วเข้าถึงยังใจเข้าถึงเหมือนที่พวกเราทําเนี่ยสติเราเป็นไปในกายเป็นไปในใจเฝ้าดูเฝ้า ด, าดูอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งมันอาจจะเข้าใจแบบนี้ก็ได้ใครที่ทําแล้วตอนนี้ยังไม่เข้าใจ เราต้องทําจริงๆฝ่าฟันจริงๆอดทนต่อความคิดอดทนต่อความเบือ่ออดทนต่อความอึดอัดอดทนต่อความง่วงอย่าเพิ่งรีบจัดการสภาวะอะไรทั้งนั้นใครมีสติเป็นไปในกายในใจได้ดีแล้วไปสังเกตเพิ่มสติมันจัดการธรรมชาติทั้งหลายเกินไปหรือไม่มันเป็นมิตรกับธรรมชาติทั้งหลายไหมมันพยายามทําลายธรรมชาติทั้งหลายเกินไปไหมดูมันตรงๆศึกษามันตรงๆให้มากขึ้น ปล่อยให้มันทำงานไปกระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่สมองเราเข้าใจจากการคิดไม่ได้ที่ครูบาอาจารย์ที่ทุกคนมาพูดเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจวิธีการสร้างเหตุเล่าประสบการณ์วิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อเราจะไปปรับปรยุยปรุ่เอาเพียงเท่านั้นนี่คือต้นตำรับของสายเซนกับสิ่งที่เราทำหวังว่าอาจจะมีคนเดินสะดุดขาตัวเองแล้วก็แจ้งขึ้นมาบ้างนะ มันมีนะเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ภาวนาเนี่ยอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังรุ่นพี่ๆแต่ก็เล่าส่งต่อมามีบางคนเขาได้เดินไปง่วงเขาว่าอะไคนเดินไปสะดุดลากไม้โผลขึ้นมาอืมผ่านง่วงผ่านอารมณ์เข้าใจใจโปร่งโลงเบาสบายรุ่นพี่ท่านเลเล่าให้ฟังท่านง่วงเวลาง่วงท่านจะเดินเอ๊ะเราจะกลมเราไม่ไม่มีลากไม้ลงไปเดินที่ดินเลืวกอันที่มีลากไม้ด้วย เดินไปม้วงไปพ ก, กลก้กล้ลากไม้แล้วก้าวข้ามทุกทีทำไมไม่เตะลากไม้แจ่งสุกทีนั <c oughs> ่นเป็นเทคนิคเป็นความเข้าใจจริงๆนะให้เราสร้างเหตุดีๆรู้วิเทคนิควิธีแต่สิ่งหนึ่งนะความอดทนที่จ ะ, ะเผชิญหน้าเรียนรู้อารมณ์ไม่สงยอมกับอารมณ์อันนี้สําคัญใครจเจริญมาได้ระดับหนึ่งแล้วสติโตพอที่จะรับรู้เรียนรู้สภาวะอาการทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบจัดการ ปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายเขาแสดงตัวของเขาเพื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในหมวดธรร ม, มาในหมวดธรร ม, มารปัญสนาสติปัฏฐานเขายกอะไรไว้เป็นตัวแรกในบทสวดเรานิวรณและธรรมความง่วงความเบื่อความอึดอัดขัดเคืองความพอใจไม่พอใจทั้งหลายไม่ใช่ความพอใจไม่พอใจความละเลสงสยัยนิวรทั้งห้านิวรณ์ทั้งห้าคือหมวดธรรมอันแรกที่เขายกเข้าไว้ เพราะมันเป็นสิ่งแรกสุดที่เราจะเจอธรรมะคือความเป็นไปของกระบวนการเหล่านั้นถ้าความว่่งเกิดขึ้นเราหนีเกินไปเราสมยอมเกินไปเราจะไม่เข้าใจธรรมไม่เข้าใจกระบวนการไม่เข้าใจตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าเราดูมาได้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้นฟ่าฟันไปให้มากขึ้นดูกายมันเป็นยังไงดูใจมันเป็นยังไงสความวุเกิดขึ้นใจรู้สึกอะไรก็รู้ไปดูไป ดูไม่ได้ก็ช่วยเหลือมันบ้างขยับบ้างเปลี่ยนท่าบ้างถ้ามันดูได้ก็ดูตรงๆมีสติระดับที่สองพัฒนาขึ้นแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาต่อไปสักวันนึงมันจะไปเข้าใจสภาวะความเป็นจริงข้างหน้าก็ได้อาจจะเข้าใจตรงนั้นก็ได้นี่นคือกระบวนการภาวนาแบบพวกเราที่ไม่ใช้ความคิดไม่ใช้การพิจารณาอะไรเยอะแยๆนะแต่สร้างเหตุให้ถูกนะเข้าใจเนาะ เัินก้อนคืนนี้เอาไว้ต้นนี้ให้กลับามาพร้อมๆกัน